คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนาะพ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนาะรักษาความมั่นคงของอัตตาไว้เมื ate, dafür, ่ shorts, อคนโกรธแค้นจริงชังกันถึงขั้นฆ่าฟันกันตายนั <t ries> <t ries> <t <t ้นว่าการนี้ถูกต้องแท้จริงแล้วเขาหาได้ค่าด้วยความต้องการความตายของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ความตายของศัตรูของเขา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 ในกรณีที่เขาไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายศัตรูไม่สามารถกำจัดบุคคลหรือภาวะที่เขาไม่ปรารถนาให้หมดสิ้นไปได้กลับปรากฏบ่อยๆว่าเขาหันมาคิดฆ่าตัวตายหรืออยากตายเสยเองว่าโดยสำนวนภาษาอาจพูดได้ว่าเขาปรารถนาความตายแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่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 เขาจึงอยากตายให้พ้นไปเสียความหมายว่าตามที่จริงเขาไม่ได้ปรารถนาความตายสิ่งที่เขาต้องการคือความพากพ้นไปจากภาวะที่ไม่น่าปรารถนาต่างหากเมื่อฆ่าหรือทำร้ายศัตรูไม่ได้เมื่อแก้ไขหรือกาจัดภาวะที่ไม่ปรารถนาไม่ได้เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้พ้นไปก็คือทำตัวให้ตายเสยเอง เหมือนอย่างคนที่กาลังจะฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังรักคนรักแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วหรือเพราะเป็นโรคร้ายแน่ารังเกยียจที่ไม่มีทางรักษาทั้งสองอย่างนี้เป็นภาวะไม่น่าปรารถนาที่เขาไม่อาจแก้ไขหรือกําจัดได้ดังนั้นทางเดียวที่เหลืออยู่ที่จะช่วยให้เขาพ้นมันไปได้ก็คือฆ่าตัวตาย แต่ถ้าในเวลาที่กำลังจะฆ่าตัวตายนั้นเกิดมีคนมาบอกว่าคนที่รักของเขายังไม่ได้แต่งงานและยังคงรักเขาอยู่อย่างเดิมหรือว่ามีหมอเทวดาที่รักษาโรคนั้นได้จริงเขาจะเลิอกอยากตายทันทีเพราะมีเงื่อนไขอื่นที่ดีกว่าซึ่งจะทาให้เขาพ้นจากภาวะที่ไม่ปรารถนานั้นอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจช่วยให้ชัดยิ่งขึ้นในการต่อสู้หรือสงครามระหว่างหมูชนหรือคนต่างเผ่าที่ยังป่าเถื่อนบางทีฝ่ายชนะฆ่าคนฝ่ายแพ้ที่เป็นชายทั้งหมดรวมไปถึงเด็กและคนแก่แต่ไม่ฆ่าผู้หญิงสาวอย่างน้อยก็ไม่ฆ่าทันทีแต่จับเอาไว้ปลนเพลพวกตนก่อนการที่เขาฆ่าผู้ชายตลอดไปถึงเด็กเซ่ทั้งหมดนั้นก็เหมือนดังที่กล่าวแล้ว คือเขาหาได้ต้องการเอาความตายของคนเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไรไหมแต่ที่ได้ฆ่าอย่างล้างพวกล้างเผาทั้งที่ชนะอยู่แล้วและมิใช่มีเหตุผลเฉพาะที่จะต้องฆ่าคนเหล่านั้นเป็นส่วนตัวของแต่ละคนก็เพราะความหวาดกลัวเนื่องมาจากความต้องการทำรงรักษาความมั่นคงแห่งตัวตนการทำให้คนเหล่านั้นตายเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเงื่อนไขดีที่สุด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 ได้สุขเวทนาที่ต้องการพวกเขาจึงไว้ชีวิตพวกเธอ